นี่โอกาสอย่างที่ผมเข้าใจครับสมมติเธอมันรู้แล้วมันก็ไปทำความรู้สึกตัวเนี่ยไอ้ที่ไปทำความรู้สึกตัวเนี่ ย, ม, ยมันก็เป็นธรรมาลมันหนึ่งไก้เห็นแก่นั้นใช่ไหมครับ มันก็ไปรู้ว่าเราไปทําอย่างนั้นอย่างนี้มันทุกอย่างมันก็เป็นธรรมอารมณ์หมดอรู้มันก็รู้ไปเลยใช่ความรู้สึกตัวที่ทําความรู้สึกตัวไว้เนี่ยคือธรรมอารมณ์ครับไม่ใช่เป็นรู้มันรู้รู้คือรู้ว่ารู้ว่าเนี่ยความรู้สึกตัวเราไปยึดว่าที่เราไม่เห็นเป็นธรรมอารมณ์เพาเราไปทำมัน เราทำความรู้สึกกลัวไว้เราไม่รู้ไอไอความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งแล้วก็เป็นธรรมารมด้วยเป็นอาการแต่เป็นอาการเกิดมาจากความปรุงแต่งด้วยเราดันเป็นความปรุงแต่งไม่ใช่ว่าเป็นเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติแท้ๆเป็นความปรุงแต่งรู้สึกตัวครับเราเข้าใจผิดสองขั้นคือเราไม่รู้ว่าเนี่ยมันคือความปรุงแต่งครับแล้วก็เราไม่รู้ว่ามันเป็นทําอารมณ์เราเลยรู้ว่าเป็นตัวเราที่เราทําถูกแล้วเลยเปรุงแต่งหนักขึ้นไป หนูขอถามเพื่อเพื่อความมั่นใจอ่ะนะคะผู้รู้เนี่ยก็คือการที่เรารู้ได้ด้วยตัวเองแบบเหมือนเหมือนรู้ขึ้นมาได้แต่ว่าเป็นจิตภายในที่ไม่มีตัวตนเป็นปกติไม่มีการกําหนดอันนี้ถูกต้องไหมคะก็รู้เนี่ยนะก็รู้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจนี่นะค่ะคือรู้แล้วไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้อะไรเลยมีแต่สิ่งที่ถูกรู้พราะมันเป็นมีแต่สิ่งที่ถูกรู้แล้วมันไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ไม่ปรากฏว่าตัวเราเป็นผู้รู้มันก็เลยไม่มีความทุกข์ใช่ค่ะมันก็เลยไม่มีกิเลสอะไรเพราะไม่ปรากฏตัวเราเป็นผู้รู้ไงใช่ค่ะเพราะนั่กฏตัวเราผู้รู้มันก็เลยไม่มีตัวเราไปยุ่งวุ่นวายกับอะไรค่ะมันก็เลยไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์อันนี้แน่อ๋อถูกเใจไหมครับเข้าใจที่ไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์เนี่ยไอ้รู้เนี่ยมันก็รู้อยู่ว่าเออเนี่ย ปนเนี่ยมันสิ้นกิเลสแล้วสิ้นความทุกข์แล้วคือมันไม่ยึดอะไรก็เพราะมันไม่ไปยิตอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อสิ้นกิเลสและความทุกข์แต่ให้รู้เนี่ยที่ไปรู้ตามตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นวิญญาณขันเงินเป็นวิญญาณขันวิญญาณขันนั้นไปรู้ตามทวารทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เนี้ยวิญญาณขันเนี่ยมันมันจะไม่เวลาไปรู้อะไรมันจะไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้หรอกมันไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ มันไม่ปรากฏตัวเราเป็นคนรู้มันไม่ต้องไปทําความรู้สึกรู้ว่าที่ตัวเราอืมแต่มันเนี่ยเมื่อเราสํารวมทางตาหูจมูกลิ้นกายห้าประตูแล้วเนี่ยมันก็เหลือแต่เปิดประตูใจร้อยเปอร์เซ็นเพื่อเราได้รู้จักหน้าตาของธรรมอารมณ์เพราะเราไม่ค่อยรู้จักหน้าตาของธรรมอารมณ์เรารู้จักแต่สิ่งที่อยู่นอกตัวเราก็เพื่อให้เราเนี่ได้เรียนรู้ว่าธรรมอารมณ์มันเป็นอย่างไรเราก็สํารวมไม่ห้าประตูไม่ให้มัน เ, นเพลินไปเป็นนันทิ เปิดไหมครับรูปลถกินเสียงสัมผัส ห, ป ร, หประตูภายนอกแล้วเราก็รู้ที่ประตูใจที่มันมีอาการน่ะอาการให้ถูกรู้ได้ทางประตูใจอ่ะทุกอาการเนี่ยทุกกิยาการที่มันกระเพื่อมได้ไหวตัวได้รวมทั้งไอความรู้สึกตัวที่เราไปปรุงแต่งไว้ด้วยที่ที่ตู่เขาเขาพู้ถามถึงเนี่ยเอออันเนี้ยมันก็มันเป็นความรู้สึกตัวที่มันรับรู้ได้สัมผัสได้ไหวมันมันมันรวมทั้งไอความปรุงแต่งไปเป็นผู้รู้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นธรรมอารมณ์เป็นความปรุงแต่งเป็นธรรมอารมณ์ปรุงแต่งไปพยายามรู้ไว้ อันนี้ก็เป็นธรรมอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกตัวที่พยายามมาทำความรู้สึกตัวไว้ที่ตัวเราเนี่ยก็เป็นธรรมอารมณ์เป็นเมื่อเราเห็นว่าธรรมอารมณ์ทั้งหมดเป็นอายะตนะภายนอกมันอายตนะภายนอกแต่เราเข้าใจ really มันเนี่ยมันอยู่ในตัวเราเลยแล้วว่ามันอยู่ข้างในมันเป็นภายในแต่มจริงมันเป็นอายะตนะภายนอกเออพระพุทธเจ้าจึงตัดว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์เป็นอายตนะภายนอกแต่เราเนี่ย มันสื่อเหมือนกับความรู้สึกเราเราว่าไอ้ทำอารมณ์มันอยู่มันเป็นอยู่ข้างในเราเราเลยเป็นอยู่ข้างในอืมมันเป็นข้างในแต่ว่าเจ้าแต่ว่ามันเป็นอายะธนะภายนอกส่วนตาหูประตูตาประตูหูประตูจ ม, มูกประตูลิ้นประตูกายและประตูใจเป็นอายาตธนะภายในอันนี้เรียเป็นภายในอืมเป็นภายในตอนี้เมื่อเราสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายจะห้าประตูไอ้เนี่ยไอ้สตินี่แนี่ยเป็นตัวสํารวมไอ้สํารวมเนี่ยมันคือสติ สติเนี่ยเนี่มันมีหน้าที่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายเนีไปห้าประตูประตูไปนอกไปห้าประตูเพราะมันจะไม่รู้จักหน้าตาไอ้ธรร ม, มอารมณ์ไงก็ให้เปิดประตูใจร้อยเปอร์เซ็นเพื่อให้ธรรมอารมณ์เนี่ยมันแสดงแท้ๆร้อยเปอร์เซนจะได้เห็นรู้จักหน้าตาของธรมมธรมอารมณ์ร้อยเปอร์เนธรรมอารมณ์ก็คืออาการทุกชนิดแต่สรุปคือกิริย า, าการทุกนี้ความรู้สึกนึกคิดต่างๆเนี่ยความปรุงแต่งต่างๆเนี่ยทุกชนิดคือมีอาการเกิดได้ดับได้เปลี่ยนแปลงได้ สลับหน้ากันได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวผ่องใสเดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวเป็นกุศลนะกุศลเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นบุญเป็นบาปเป็นรักเป็นชังเป็นเกียรติเป็นโกรธเป็นอิจฉาหรืษยาเป็นพอใจเป็นไม่พอใจเป็นอะไรกันเยอะแยะหมดเลยที่มันตรงกันข้ามได้เออโปร่งโล่งเบาสบายไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาสบายแน่นอึดอัดทึบนิ่งสงบสงัดไม่นิ่งไม่สงบไม่สงัดว่างไม่ว่าง รวมทั้งว่างเลยนะแ้วไม่ว่างเป็นธรรมอารมณ์หมดเลยเอ่อเป็นธรรมอารมณ์หมดเป็นอาการที่มันเปลี่ยนแปลงได้ไงอาการที่เปลี่ยนแปลงได้เกิดดับได้เนี่ยคือธรรมอารมณ์หมดเลยอ่อธรรมอารมณ์เราก็ต้องเข้าใจว่าธรรมอารมณ์คืออายาตนะภายนอกอายาตนะภายนอกนะต้องจำไว้แม่นวะให้รู้สืบถึงใจเนี่ยคือโยนิโสมนานักติการไว้ในใจโดยแยบคลายอย่างต่อเนื่องในการสาว่าธรรมอารมณ์เป็นอายาตนะภายนอกแล้วธรรมอารมณ์คืออะไรให้เรารู้ไว้ได้มั่นคงในใจแล้วก็ อย่าไปหลงเอาธรรมลมเนี่ยมันอยู่ข้างในเป็นภายในเดี๋ยวเราไปยึดมันว่าพอ<ร>เป็นอะไรก็มีอาการอะไรที่เป็นธรรมลมใจของหนูทําไมหนูจึงไม่สบายใจใจของหนูไม่สบายใจของผมไม่สบายไปเอาเป็นธรรมลมเป็นเป็นตัวเราเป็นใจเราแท้ๆเลยไม่ได้เป็นอายตนาภายนอกที่มันเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเป็นใจเราเลยธรรมลมเลยกลายเป็นเนื้อแท้ของของเราเป็นใจเนื้อแท้ของใจไปเลยตอนนี้ตอนนี้ก็ปฏิบัติไม่ได้เลยตอนนี้แก้ไม่ตกเลย ว่าไงไปเอาธรรมารมเป <Jonathan. S 2> um ็นเนื้อแท้ของของตัวเราของเราเป็นใจเราแท้แ <moons> <where> ท้เลยแต่แท้จริงอ่ะมันเป็นอายะตนะภายนอกให้โยนิโสมนาติกาไม่ได้ใจของเราเนี่ยต่อเนื่องไม่ขาดสายว่าธรรมาลมทุกเรนี้ที่มีอาการทุกเรนี้เกิดดับได้เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันเป็นอายตนะภายนอกเหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งมนมาแล้วก็ต้องไปมาแล้วก็ต้องไปสลับหน้าชนมาแล้วก็ต้องไปมาแล้วก็ต้องไปสลับหน้าชนเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกเดี๋ยวบุญเดี๋ยวบาปเดี๋ย่กุศลนะกุศ มันก็มาแล้วก็ไปสลับหน้าชนมันเปลี่ยนแปลงเป็นอันนิจจังมันเป็นทุกขังคือมันเนี่ยมันเป็นทุกมันเป็นทุกขังก็คือขังทุกมันเป็นที่ขังทุกขังทุกมันเป็นทุกมันเป็นทุกมันเป็นทุกมันเป็นที่ขังทุกเนี่ยแต่เราเนี่ยกลับไปเอามันมามาเป็นในเนื้อแท้ของกายและใจเราแท้แท้ที่มันไปตัวเราแท้แท้ แต่เราไม่เห็นว่านี่มันเป็นธรรมอารมณ์ในญาตนะภายนอกมันมาแล้วก็จากไปมาแล้วก็จากไปและมันเนี่ยทั้งกายและใจเนี่ยมันเป็นอายะตนะภายนอกร่างกายก็เป็นติกที่ถูกรู้เป็นอนญาตนะภายนอกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยมันเป็นอายะตนะภายนอกอืมันเป็นอายะตนะภายนอกมันเป็นสังขารแต่วิญญาเนี่ยมันมีหน้าที่รู้อย่างเดียวมันไม่มีหน้าที่ถูกรู้มันเลยไม่รู้จักตัวว่ามันมันมันจะไม่เห็นตัวมันเพราะมันหน้าที่รู้อย่างเดียวมันปรากฏแต่ธรรมอารมณ์คือเวทนาสัญญาสังขาร เนี่ยส่วนวิญญาณเนี่ยมันมีหน้าที่รู้เขาอย่างเดียวมันไม่มีหน้าที่ถูกรู้มันจึงไม่ต้องมีหน้าที่มาย้อนดูวิญญาณอีกทีหนึ่งเพราะวิญญาณมันสร้างมาหน้าที่คือให้เป็นผู้รู้รู้อะไรก็รู้เวทนาสัญญาสังขารสามตัวเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมอลมณประเดี๋ยวไอ้ธรรมอารมเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยให้โยนิโสมนณติกาอินเจว่ามันเป็นอนายตนะภายนอกเป็นอนายตนะภายนอกมันไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของ เราตัวเราเป็นเนื้อแท้ของใจไม่น้องมาบนใจไม่สบายอีกแล้วใจเป็นอย่างนู้นใจเป็นอย่างนี้ใจเป็นอย่างนี้นเราเป็นอย่างนู้นเราเป็นอย่างเนี้ยมันไม่เจ๊เราเนี่เจ๊ใจมันเป็นอายัดนะภายนอกมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับลูกก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปผัดหน้าชนเดี๋ยวคนดีเข้ามาคนชั่วก็มาคนเป็นบุญเข้ามาเป็นบาปเข้ามาเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุเป็นทุกขเป็นล่ำประจัก็สลับหน้าชนแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนี่คือธรรมชาติของอายัดนะภายนอกมันก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป แล้วก็ อ, it, bi, อายอันาภายนอกทั้งหมดในรวมทั้งร่างกายรวมทั้งเวทนาสัญญาตั้งขันเนี่ยเนี่ยทิ้งเหล่านี้รวมทั้งวิญญาณที่ไปรับรู้แล้วก็ส่งต่อทํางานร่วมกับเวทนาสัญญาตั้งขานเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกเอ่อมันเป็นทุกมันเป็นทุกขังคือมันมันเป็นมันเป็นตัวเจ้าปัญหาทุกขังคือมันเป็นที่ขังทุกนะมันเป็นตัวเจ้าปัญหาเจ้าปัญหาไงมะช้าก็เพิ่งกินมาเดี๋ยวจะเที่ยงแล้วหิวหิวแล้ว เดี๋ยวหิวแล้วไปหาอะไรกินก่อนอาจารย์เดี๋ยวก็ปวดท้องเข้าห้องน้ำแล้วเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำก่อนมันเลยเป็นตัวเจ้าปัญหาจริง ๆ, ๆเดี๋ยวก็ไปถ่ายหนักถ่ายเบาเดี๋ยวก็ปวดหัวตัวร้อนเดี๋ยวก็ไม่สบายพาตัวไปหาหมออีกแล้วเดี๋ยวก็ไม่สบายทั้งวันไม่สบายเลยหิวโรคหิวไปโรคทั้งวันเลยโรคหิวหิวเสร็จก็โลกปวดทุกข์ปวดทุกข์ปวดทุกเบาปวดทุกหนักปวดทุกเบาโอ้ยมันเป็นทุกขนี่เห็นไหมเป็นปวดทุกข์เราก็เชื่อเราเรียกเราบ่นเราไปปวดทุกข์เดีย มันเป็นตัวเจ้าปัญหาแต่ใจเนี่ยมันก็ได้แต่รู้เนี่ยใจเนี่ยมันได้แต่รู้มันเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกใจมันได้แต่รู้เพราะว่าใจมันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่ปรากฏอะไรเลยไม่ปรากฏตัวใจมันก็ได้แต่รู้ได้แต่รู้แต่ไอ้ร่างกายเราที่ถูกรู้แล้วก็ไอ้เวทนาสัญญาทั้งขานเนี่ยแล้วก็วิญญาณที่ไปรับรู้มาแล้วก็เี่ยมาไม่ปรากฏตัวตนเนี่ยมันก็ได้แต่รู้สรุปแล้วคือวิญญาณขานเนีมันมีหน้าที่ไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ประตูใจคือรู้รูปลู่เสียงรู้กินรู้ลดรู้สัมผัสรู้ธรรมอารมณ์แล้วก็สักตะวารู้เนี่ยพอสักตะวารู้เพื่นก็ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้เนี่ยสักตวารู้ตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนีแล้วก็ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้พอเราเข้าใจอย่างนี้อ่ารู้เสียงกินลดสิ่งที่มาสัมผัสกายผลทัพบะแล้วก็ธรรมอารมณ์คือเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันเป็นธรรมอารมณ์ เป็นอายะตนะภายนอกจะปรากฏแต่การรับรู้อายะตนะภายนอกจะไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ไม่ปรากฏตัวเราผู้รู้ไม่ปรากฏกิริยาการของผู้รู้จะปรากฏแต่อายะตนะภายนอกที่ถูกรู้ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ความไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้นี่แน่มันมีแต่สิ่งที่ถูกรู้มันจึงไม่มีใครทุกข์แต่อาักตานที่สุขทุกข์มันเป็นอาการที่ถูกรู้ แต่ไอ้ผู้รู้ที่ไม่ปรากฏตัวตนเนี่ยมันเนี่ยไม่ปรากฏตัวตนไม่มีอะไรเลยมันไม่ได้มีความสุขความทุกข์มันคิดก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรก็ไม่ได้ไอ้ความคิดความปรุงแต่งเนี่ยเป็นธรรมารมณ์เป็นอายตนะภายนอกที่ถูกรู้มันแต่ปรากฏแต่ธรรมารมณ์คืออายตนะภายนอกที่ถูกรู้คือสุขทุกข์บุญบาปกุศลอกุศล ดีชั่วรักชังอะไรก็ตามแม้แต่จะมีชื่อไม่มีชื่อก็แล้วมีอาการไหวๆๆกับเพิ่มที่หนูบอกว่ามีอาการกับเพิ่มกับเพื่มไหวๆแล้วแต่มจะกับเพิ่มไหวๆม่ชื่อว่าอะไรแต่คนกํากับชื่อกันนี่แหละคือเราเนี่ยไปขยันกํากับชื่อมันแต่อาการมันมันไม่มีชื่อหรอกมันก็มีอาการของมันอย่างเงี้ยจากตรงไปตรงมามันมีอาการมันตรงไปตรงมาแต่เราเนี่ยไปคอยกำกับชื่อมันเพราะเรากํากับชื่อมันเนี่ยถ้าดีเราก็ชอบไม่ดีเราก็ชังดีเราก็ชอบไม่ดีเราก็ชัง นี่ถ้าเราไปกํากับชื่อมันก็เป็นอายตนะภายนอกทั้งหมดแต่มันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหมดนะมันเป็นสังขารเป็นสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดมันก็เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆแต่ผู้รู้ไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏอะไรเลยมันก็เลยไม่ต้องทุกข์เพราะว่ามันปรากฏแต่ธรรมอารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอายตนะภายนอกไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ไม่ปรากฏตัวเราเป็นผู้รู้แล้วจะมีใครทุกข์ใครจะมีใครมีกิเลสมันก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีกิเลสเขาก็เรียกว่าบรรลุพันนิพานแล้วก็ ใจมันก็เลยรู้ว่าบัดเนี้ยสิ้นกิเลสสิ้นทุกข์บรรลุปานิพานแล้วนั่นแน่เนี่ยคือใจใจอะ่ะมันก็รู้ว่าบัดเนี้ยมันสิ้นสิ้นทุกสิ้นกิเลสสิ้นยึดบ้านถือมัน่นบรรลุปานิพานแล้วไม่ยึดอะไรแล้วเนี่ยแต่วิญญาณาขันเนี่ยมันก็นําหน้าที่รับรู้ต่างๆจะบริไกใจรู้ซื่อซื่อสักตะวรู้อย่างตรงไปตรงมาพอรู้ซื่ อ, อไม่มีตัวตนของผู้รู้ ไม่มีอากียาการของพุรู้ไม่รู้สึกกับตัวเราพุนพุลุ้มันก็เลยไม่มีตัวเราไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่มีตัวเราไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันก็เลยไม่มีกิเลสไม่มีกิเลส ก, ก็ไม่มีความทุกข์พอไม่มีความทุกข์เขาก็เรียกว่าพ้นทุกข์เขาก็เรียกว่าสมมติว่าชื่อชื่อสมมุติเลยนิพพานอนิพพานเนี่ยพระแมะค่ครูบาอาจารย์นั่นก็ว่าอย่างนี้แล้วก็ผู้ที่นิพพานแล้วก็เรียกว่าพระอรหันต์เนี่ยส่วนใจเนี่ยมันก็เลยแต่รู้ว่าบัตเนีย สิ้นทุกแล้วสิ้นกิเลสแล้วบรรลุผลนิพพานแล้วกิจที่ต้องทําไม่มีอีกแล้วการเรียนไหว้าตายเกิดจบแล้วเนี่ยมันก็เป็นใจใจก็รู้อ่ะใจก็คืออะไรรู้ว่าสิ้นทุกแล้วสิ้นกิเลสแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปหาใจยังไงเลยเดี๋ยวจะไปหาใจอะไรก็ไรู้เนี่ยก็ใจมันก็ได้แต่รู้แต่ใจเนี่ยมันมารู้ตอนมันมารู้ตอนจบว่าสิ้นกิเลสสิ้นทุกแล้ว แต่วิญญาณขันเนี่ยมันก็จะทำให้รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปแต่ใจเนี้ยที่มันรู้ว่าสิ้นกิเลสสิ้นทุกมันไม่ใช่ประตูใจมันคนละอันกันใช่ไอประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจมันไม่ใช่ประตูเนี่ยไอใจตัวนี้มันไอประตูใจเนี่ยมันคือท่านว่ามันอยู่ที่หาไทยวัตถุเราก็ไม่เคยเห็นเราอยู่ตรงไหนหาไทยวัตถุเราก็รู้แต่ตารู้แต่หูรู้แต่จมูกรู้แต่ลิ้นรู้แต่กายแต่ประตูใจเนี่ยเขาว่ามันอยู่ที่หาไทยวัตถุมันติดอยู่ที่ขั้วหัวใจ ว่าตรงไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้หรอกเราก็ไม่เคยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแต่เราก็เชื่อพุทธเจ้าแต่ก็เราไปส น, นใจแล้วไปรู้ว่ามันเป็นประตูก็แล้วกันและเนี่ยมันตายมันประตูอายัดธนะภายนอกก็ไม่เที่ยงเกิน ด, ดับอายัดธนาภายในตาประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจก็ตา ย, ตายแตกดับหน่าเปื่อยผูพังไปหมดแล้วก็ไอ้ธรรมรมเนี่ยธรรมรมที่ถูกรู้เนี่ยอมันก็ที่ทํางานร่วมกับไอ้วิญญาณาขันเนี่ย วิญญาณาขันไปรับรู้ท้งตาหูจมูกนิ้นกายใจก็ต้องมาทำงานร่วมกับเจตสิกคือธรรมลมก็คือเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันอันนี้ดับหมดนะมันดับหมดมันก็เหลือแต่ใจเนี่ยที่ที่มารู้ตัวมันว่าบตรเนี้ยมันสิ้นยึดสิ้นกิเลสสิ้นทุกข์มนริปนิภพานเหลือแต่ใจที่รู้อันนี้ไม่เกิดไม่ดับเป็นนามาตะไม่แตกไม่ดับไม่ทาลายม่เหลือแต่ใจ แต่วิญญาณขันที <yi> ่ทําหน้าที่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้เนี่ยมันเลยไม่มีผู้ทุกมันมีแล้วไม่มีผู้ทุกไม่มีกิเลสเพราะว่ามันไม่กดตัวตนของผู้รู้ไม่ปรากฏว่าตัวเราเป็นผู้รู้มันก็เลยไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ไอขันห้าเนี่ยมันช่วยเอามาอาศัยให้เป็นเรือข้ามฟากไปสู่พระนิพพานได้เนี่ยอาศัยมันก็เพราะว่าให้มันเนี่ยรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ไม่ปรากฏตัวเราผู้รู้ไม่ปรากฏอาการผู้รู้มันก็เลยไม่มีผู้ไปยึด ไม่มผู้ยึดก็ไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์มันก็เลยสิ้นทุกข์แต่ใจมันก็มาเรียกว่าอะไรเลยชุบมือเปิดว่าบบบ น, นี้สิ้นทุกข์แล้วมาชุบมือเปิดว่าแบบ น, นี้สิ้นทุกข์แล้วไม่ยึดอะไรแล้วสิ้นผู้ยึดใจมันมามาเปิดเผยตัวที่หลังนี่ผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพระนิพพานไนงะคือมันเปิดเผยตัวที่หลังเนี่ยว่าแบบ น, นี้นสิ้นยึดแล้วเนี่ย แตนี่ที่เราบอกว่าพบใจพบธรรมก็ ต, ต้ตาก็เข้าใจว่าเออมันพบใจก็คือมันพบแบบๆ แ, แล้วมันก็กลับไปยึด <c oughs> มันพบแบบๆแล้วกลับไปยึดติดเออคือมันไม่ยึดแบบๆเออเจอไปเลยเจอหน้าตาแบบๆ แ, แต่กลับไปยึดติ อ, อแต่ถ้าไม่ยึดถาวรเลยก็ถึงใจคือปณิพาน <c oughs> เข้าใจว่าอย่างนั้นนะเข้าใจยังไงเนี่ยเออนี่อธิบายละเอียดมากแล้วนั้นเนี่ย เราจะเห็นว่าเนี <ole k> ่โอ้ยไอ้โรคทางกายเนี่ยก็ต้องไปหาหมอเดีย็กไปหาหมอให้รักษาโรคทางกายส่วนป่วยจิตใช่ยไหมป่วยจิตป่วยป่วยใจเนี่ยเพามันไม่สบายเป็นนู่นไปนี่จิตใจก็ไม่ค่อยสบายเป็นนู่นเป็นนี่ซึมเศร้าต้องไปหาหมอเหมือนกันจิตแพทย์เนี่ยไปหาจิตแพทย์ไปหาหมอก็ละประเภทเออร่างกายป่วยก็ไปหาหมอทางกายพอจิตใจป่วยก็ไปหาจิตแพทย์ทั้งร่างกายจิตใจเนี่ยมันจะเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์เป็นที่ขังทุกข์ มันเนี่ยเดี๋ยวก็ร่างกายก็ป่วยต้องไปหาไปหาหมอพาไปหาแพทย์ธรรมดาแพทย์ร่างกายพอจิตใจป่วยเนี่ยก็พาจิตใจไปหาหมอหาจิตแพทย์ reas. มันจะเป็นทุกข์เป็นที่ขังทุกข์เออใจเราก็หยัดขปยึดมั่นถือมั่นมันให้เห็นว่ามันเป็นของไม่เดีอยงมันเป็นทุกข์มันเป็นที่ขังทุกข์เดี๋ยวมันก็ต้องไปหาหมอพาไปหาหมอไปเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแตกดับทําลายไป ปล่อยวามันไปอย่าไปยึดมั่นถือมัน่นมันเป็นทุกข์มันเป็นที่ขังทุกข์แล้วมันก็ไม่เทีเ่ยงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเกิดแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราให้มันปล่อยวามันไปเหลือแต่รู้เหลือแต่รู้เหลือแต่แค่รู้ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเนียถ้าเรารู้ทุกอย่างเรกเนี่ยรู้ทุกอย่างไม่ไม่เอ็นเอียงไปไม่เอ็เอียงอ่ะคือไม่มีความลำเอียงดีรักชั่วชางเกียรติทุกข์รักสุขอย่างที่ ที่หนูปฏิบัติมาเนี่ยที่ว่าออชอบใจที่ไม่มีอาการยึดถือใจที่มีอาการชอบใจไม่มีอาการยึดถือแต่ใจที่ไม่มีอาการชอบลังเกียจใจที่มีอาการหนูก็คอยวัดอยู่ในใจเรื่อยเลยไม่รู้ไม่รู้ไปไปฟังมันตรงไหนปฏิบัติมาจากไหนคอยคอยเช็คใจว่ามันมีอาการรับผิดแล้มีอาการรับผิดก็ต้องให้มันไม่มีอาการก็จะให้ใจมันช่ยอย่างเดียวอาการไม่มีรู้อะไรแล้วทําให้ใจมันช่ยได้อยินไหมให้ใจมันช่ยตล้วพลาอะไรใหใจมันช่ย ไอ้อย่างนี้มันผิดมันมันยึดไอ้ไอ้อาการเฉยเด้งก็ไม่เฉยเฉยเด้งก็ไม่เฉยเฉยแค่ไม่เฉยอย่างนี้ยอย่างนี้ก็แย่เลยอย่างงี้ใจมันเอ็นเอียงมันลำเอียงมันมีอคติมันไม่ซื่อซื่อมันมีอคติดีรักชั่วจางเกียรทุกรักถูขมันชอบแต่ใจไม่มีอาการแล้วก็เกียรใจที่มีอาการมันมีอาการนี่ก็มมีอาการมีอาการนี่ก็ไม่มีอาการแต่รู้เนี่ยมันได้แต่รู้มันได้แต่รู้แต่ตัวตนของผู้รู้ไม่มีมันก็เลยสิ้นยืดสิ้นทุก อันนี้เราไปยึดไอ้ความใจที่ไม่มีอาการะคือไปยึดตอนที่ขณะจิตที่มันไม่มีอาการเราจะพยายามทําให้อะไที่มีอาการให้มันไม่มีอาการให้ใจมันว่าง ใ, ใจมันว่างเฉยอาการไม่มีเฉยอาการไม่มีแล้วอย่างเนี้ยมันก็ยึดเลยิไปยึด ยึดใจที่ไม่มีอาการแล้วไปเกีลรรังเกียจใจที่มีอาการมันก็พยายามทําทุกวิถีทางปฏิบัติทุกวิถีทางสะกดจิตตัวเองเข้าไปเข้าไปเขไปให้รู้อะไรเฉยรู้อะไรเฉยอยู่เยอะแน่ ไ, ไหนได้ยินอะไรก็เฉยปฏิบัติอะไรก็เฉยไม่รับรู้อะไรอย่างนี้มันก็ลกลายเป็นโรคเออไปแต่ละคนมาปฏิบัตินะแล้วก็โรคที่ตามมาอีกหลายโรคคือโรคเอสแอโรคภุมงพุ่งการบกพร่องโรคเอสแอนโรคพุมงพุมงการทําร้ายตัวเองอะโรคพุ่งพวงพุมงการทําร้ายตัวเองแล้วก็ถ้าสะกดจิตด้วยเพิ่มเข้าไป มีอะไรกระทบใจแล้วตะกดจิตให้นิ่งเฉยตอนเนี้ไอ้คอกแคกก็ดับกแดกเลยไอแฮกไอแห้งไอ้เงี้ยเป็นเดือนๆไม่รู้กี่เดือนแล้วก็ไม่หายแร้วไปตรวจปอดก็ไม่มีไม่มีไม่มีโรคปอดแต่ไอไม่หายไอแห้งอยู่แน่แน่เนี่ยแล้วก็สะกดออกมาโรคไมเกรนตามมาปวดหัวข้างเดียวเโรคไมเกรนแล้วก็ตะกดจิตมากเครียดมากๆตอนนี้ยสะกดจิตไว้ชอบเราชอบอะไรตะกดก็เพราะว่าเราชอบใจที่สบายใจไม so so so so ่ม so ีปัญหา พอไปนมีปัญหามีอาการหน่อยอ่ะมันไม่เฉยตอนนี้เราตะกดไม่ได้เราก็ตะกดปัญญาอ่ตัวเนี้ยไปโงโง็นโรก่งโกงอ่ะลกล่องโกงจะลรคก่งโกงไหมน้ําในหูไม่เท่ากันโรคบ้านหมุนโลกบ้านหมุนไอ้พวกนี้มันมาจากอาการเคียหรกันนายอ่ะมันไม่ได้อย่างใจเราสะกดมันไม่อยู่พอกระทบปุ๊บเราก็ไปสะกดต่อไ ม, ม่อาการโรคบ้านหมุนนะนี่ก็ท้องอดืดบ้างไม่อืดบ้างอืดบ้งดงดงางไม่อืดบ้างตาก็คันไลยหมดเลยไอ้ขอบตาแดงคันหมดริ้วเป็นฝ้าขาววินข้าวไม่ได้ท้องอืดนี่แช่เก็ดเลือดต่ํา เกลือเลือดต่ํำแช่จนตายเนี่ยตามมาคือไอเชื้อโรคโจมตีร่างกายอวัยวะต่างๆสารเคมีในสมองในตับในไตหัวใจไม่หลังทํางานผิดปกติเพราะว่าจิตผิดปกติตอนนี้ก็ต้องผ่าตัดกันวุ่นอะไตัวเนี้ยแล้วเวลาให้ยาก็ให้ยาได้แต่ตามอาการถ้าไม่แก้ทางจิตมันก็ไม่หายต้องเข้าใจให้มันถูกต้องมันมันอาการไอร่างกายมันมันก็เป็นของเป็นทุกข์มันเป็นของทุกข์ก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแล้วก็หิวที่ก็พาตัวไปหาหมอจิตใจมันก็เป็นของ อันิีจังเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์ขังเป็นได้ขังทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราบาที่ไม่สบายก็ต้องปลอยไปหาาจิตไปหาหมอจิตแพทย์เพราะนั่นเนี่ยไอ้กายกับจิเป็นมันเป็นนิจจางเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราให้ปล่อยวางมันไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ว่าไปเอาอาการของใจฝ่ายที่มันดีอาการไม่ดีไม่ชอบเพราะนี้อาการก็มีดีก็ไม่ดีสลับกันตลอดเวลาเป็นอาการผ่องใสกับเดือดเศร้าหมองสุขกับทุกข์เงียบก็ไม่เงียบสงบก็ไม่สงบว่่่าางงก็ไมว โป่งโรคเบาวสบายก็ไม่โป่งไม่ลรคไม่เบาสบายมันเป็นธรรมอารมเป็นอาการที่สลับไปเขาจึงเรียกว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นที่ขังทุกข์เพราะว่ามันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ให้ปล่อยวางมันให้หมดสิ้นมันก็เลยรับรู้สักแต่ว่ารับรู้ทางตาหูจมูกลินกายใจสักแต่ว่ารู้ไม่มีตัวตนของผู้รู้ไม่รู้สึกว่ามีตัวเราเป็นผู้รู้ไม่มีอาการของผู้รู้มันก็เลยเมื่อไม่มีตัวตนของผู้รู้มีตัวเราเป็นผู้รู้มันก็เลยไม่มีตัวเราไปยึดอะไรให้เป็นกิเลสและความทุกข์ เมื่อไม่มีผู้ยึดให้ไิกิรณเลย้ความทุกข์เขาก็เรียกว่าพ้นทุกข์พ้นทุกข์เขาก็เรียกว่านิพพานผู้ที่นิพพานแล้วเขาก็เรียกว่าพระอรหรนันต์นะแต่ลงตาไม่ได้เป็นอะไรหรอกลงตากระจำมาพูดเะียจะไปตู่ว่าลงตาเป็นอะไรเป็นนุ่มแตนี่พูด